จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรักาที่ส3บสามธันวาคมพุทธศักราชส5นายเป็นวันพระวันธรรมชวชิวันฝังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง เพราะอยากได้มีการฟังเทศฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนาธรรมะสวนงังเอตัมมังกลงัลลุมตัมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเวลาฟังธรรมเราจะได้อนิสงส์อยู่หลายประการด้วยกันคือหนึ่ง จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ส, สิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไป 3. จะกำจัดความสงสัยได้ 4. ทํทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องห้าทำให้จิตใจผ่องใส สะอาดบริสุทธิ์มีความสุขนี่คืออานิสงส์5้าประการด้วยกันที่จะได้รับที่จะทําให้เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราการจะฟังให้เกิดเป็นมงคลได้นั้นผู้ฟังก็ต้องมีกายวาจาใจที่สงบนิ่งกายก็ไม่ทําอะไรวาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่น ให้ตั้งใจฟังเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูแล้วก็พิจารณาตามถ้าพิจารณาตามเกิดความเข้าใจก็จะหายสงสัยจะมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าพิจารณาไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็จะได้ความสงบได้สมาธิแทนนี่คือ การฟังธรรมที่ถูกต้องต้องฟังด้วยกายวาจาใจกายวาจาที่สงบเรียกว่าศีลใจที่สงบที่ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิฟังแล้วก็จะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเกิดบรรลุมรรคผลนผิพพานตามมาดังในสมัยพระพุทธการที่มีผู้ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก ที่หลังจากได้ฟังแล้วเพื่อบรรลุทำขั้นต่างๆขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอาวาหามได้ถ้าผู้ฟังมีสีมีสมาธิถ้ายังไม่มีสีไม่มีสมาธิฟังแล้วก็จะไม่เข้าใจเพราะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นพอที่จะพิจารณาตามได้ ายวาจาก็ไม่สงบไม่นิ่งเช่นบางท่านเวลาฟังธรรมแทนที่จะตั้งใจฟังก็นั่งคุยกันบ้างหรือทำอะไรบ้างถ้าฟังแบบนี้ฟังไปก็เหมือนทัพพีในหม้อแกงคือจะไม่รู้ว่าแกงนั้นเป็นแกงอะไรทัพพีไม่มีความรับรู้ไม่เหมือนกับลิ้นกับแกงถ้าลิ้นได้สัมผัสกับแกงเพียงหยดเดียว ก็จะรู้ขึ้นมาทันทีว่าเป็นแกงชนิดใดอร่อยหรือไม่อร่อยฉันใดการฟังธรรมให้เกิดอรรถรสให้เกิดผลขึ้นมาก็ต้องฟังแบบลิ้นกับแกงคือต้องมีกายวาจาใจที่สงบนิ่งตั้งใจฟังอย่างเดียวแล้วจะได้อานิสงส์ดังที่ได้แสดงไว้ในข้อหนึ่งการที่เราจะได้ การฟังธรรมจะทำให้เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือเรื่องของใจเหล่านี้เราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเราไม่รู้ว่าใจของเราเป็นใครเป็นอะไรความจริงใจนี่แหลเป็นเราส่วนร่างกายนี้ไม่ใช่เราใจกับร่างกายนี้มาอยู่ร่วมกันเหมือนกับน้ำกับในน้ำกับขวดน้ำ ที่มาอยู่ที่เดียวกันถ้าไม่ได้สังเกตดูก็อาจจะคิดว่าน้ำกับขวดน้ำเป็นส่วนเดียวกันแต่ความจริงแล้วใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเหมือนกับเราเวลาเทน้ำออกจากขวดน้าเราก็จะรู้ว่ า, าน้ำนี่เป็นอย่างหนึ่งขวดน้ำเป็นอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นส่วนเดียวกัน ไม่เหมือนกับอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเราถือว่าเป็นส่วนเดียวกันเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี้เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายใจกับร่างกายมาพบกันตอนที่เกิดการปฏิสนธิขึ้นมาในขันตอนที่เชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มารวมกัน ก็จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของร่างกายในขณะเดียวกันก็จะมีใจหรือดวงวิญญาณที่ได้จากร่างกายอันเก่าไปคนที่ตายไปแล้วใจก็คือดวงวิญญาณนี้ก็จะออกไปหาร่างกายอันใหม่พอมีการผสมพันธ์กันระหว่างเชื้อของพ่อของแม่ ดวงวิญญาณก็จะมาครอบครองร่างกายนั้นแล้วก็พอร่างกายโตแล้วก็ออกมาจากท้องแม่มาพร้อมๆกับร่างกายก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปจองรถยนต์ในโรงงานเวลาเขาเริ่มผลิตรถยนต์เราต้องการรถชนิดนี้เราก็ไปสั่งจองไว้ก่อน พอเขาผลิตรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขับรถออกมาเอามาใช้งานใช้การร่างกายของเรานี่ก็เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนใจของเรานี่เป็นเหมือนคนขับรถยนต์เป็นคนละคนกันแต่เนื่องจากใจนี้ขาดความเห็นที่ถูกต้องไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อนก็เลยหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจใจเป็นร่างกาย คนขับหลงไปคิดว่ารถเป็นคนขับรถเป็นส่วนหนึ่งของคนขับคนขับเป็นส่วนหนึ่งของรถอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวกันพอรถเป็นอะไรคนขับก็ตกใจคิดว่าตนเองจะเป็นอะไรไปกับรถด้วยแต่ความจริงถ้าคนขับรู้ว่ารถกับตนนั้นเป็นคนละคนกันเป็นคนละอย่างกันคนขับก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่รถยนต์เป็นอะไร สร่างกายกับร่างกายกับใจก็เป็นเหมือนคนขับรถกับรถยนต์เป็นคนละส่วนกันถ้ามีความเห็นความรู้ที่ถูกต้องถ้าได้ยินได้ฟังทำแล้วนําเอาไปสอนใจอยู่เรื่อยๆต่อไปใจก็จะไม่หลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอเวลาร่างกายจะต้องเป็นอะไรไปใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าไม่มีธรรมะมาสอนก็จะหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราจะยึดติดเวลาร่างกายจะเป็นอะไรก็จะเกิดความทุกข์เกิดความตุ่นวายใจขึ้นมาทันทีนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมแล้วถ้าเราเคยได้ยินมาแล้วถ้าเราฟังซ้ำอีกฟังบ่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น จะเห็นอย่างชัดเจนว่าออร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันจะไม่สงสัยคำที่พูะเจ้าทรงตรัสว่ารูปังอนัตตารูปังก็คือร่างกายอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวเราของเราพอาฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยก็จะเกิดความความเห็นที่ถูกต้องไม่ไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา พอรู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็ไม่ทุกข์กับร่างกายเหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของอื่นจะเป็นอะไรเราไม่ทุกข์ไปกับเขาเพราะเราไม่ไปหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแต่ถ้าร่างกายของคนไหนเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราเราก็จะทุกข์ขึ้นมาได้เช่นเราไปคิดว่าร่างกายของลูกเราเป็นของเรา ร่างกายของพ่อของแม่เป็นของเราพอร่างกายของเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะทุกข์ไปทันทีแต่ถ้าเรามองเห็นแล้วว่าร่างกายของลูกก็ดีของพ่อของแม่ก็ดีไม่ใช่เป็นของเราเราก็ไม่ไปยึดไปติดพอเขาเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์ไปกับเขานี่คือความ ผลอนิสงส์ที่จะได้รับคือจะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอเราได้ยินได้ฟังซ้าอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นก็จะทำให้เราไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเรามาตัวเปล่าๆดวงวิญญาณมาเปล่าๆมากับบุญกับบาป ที่ติดอยู่ภายในใจสิ่งที่ดวงใจหรือดวงวิญญาณสามารถเอาติดตัวไปได้เวลาตายก็คือบุญกับบาปและเวลามาเกิดบุญกับบาปนี้ก็จะติดมากับใจคนเราเกิดมาจึงมีบุญมีบาปไม่เท่ากันมีผลของบุญของบาปไม่เท่ากันบางคนมีบุญมากกว่าบาปก็จะมีร่างกายที่ดีมีชีวิตที่ดี มีฐานะที่ดีมีสติปัญญาที่ดีมีอายุที่ยืนยาวนานกว่าคนที่มีบาบ์มากกว่ามีบุญความแตกต่างของโวเรานี้เกิดจากบุญและบาบที่พวกเราได้สะสมกันมาถ้าเราอยากจะทำบุญเราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมให้มากเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะเข้าใจว่า เราคือใจและสิ่งที่เราจะเอาไปกับเราได้ก็คือบุญและบาปเราก็จะไม่หลงมาหาสิ่งที่เราอาไปไม่ได้เช่นลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายที่เป็นสมบัติชั่วคราวตายไปเราเอาไปไม่ได้เลยแนมะ้แต่บาปเดียวแต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญหรือบาปเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะ ตั้งใจทำบุญให้มากๆและพยายามไม่ทำบาปเพราะเรารู้ว่าบุญนี้เป็นเหมือนเงินเป็นทรัพย์ส่วนบาปนี้เป็นเหมือนหนี้ถ้าทำบุญก็จะมีทรัพย์ไปกับเรามากถ้าทำบาปก็จะมีบาปก็มีหนี้ไปกับเราเราก็ต้องไปใช้หนี้ไปใช้ในอบายที่ใช้หนี้ก็คือที่อบายที่เกิดของเปรตของนรก ของเดลฉานทั้งหลายแต่ถ้าเรามีบุญเราเอาบุญไปนรเอาทรัพย์ไปที่ไปของผู้ที่มีทรัพย์ก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมรวมไปถึงสวรรค์ของพระอริยเจ้าทั้งหลายของพระอหรหันต์ของพระพุทธเจ้าเกิดจากการทําบุญละบาจําละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นของเราอะไรที่เราเอาติดตัวไปได้เราก็จะพุ่งไปที่สิ่งนั้นแทนที่เราจะไปเอาสิ่งที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้เราก็จะไม่แสวงหาราบยศเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะมาแสวงหาบุญกุศลหาวิธีดับกิเลสตัณหา ที่เป็นเหตุทําให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดจากการได้ยินได้ฟังธทำเรวจะทําให้เราเกิดมีศรัทธาความเชื่อขึ้นมาเกิดวิรธีบาศีมีความศรัทธามีความเชื่อที่อยากจะประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน พอเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้รับสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะตายไปสิ่งที่เราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้จะเป็นของเราทั้งหมดเลยเราก็จะมีศรัทธาความเชื่ออย่างแน่วแน่ที่จะตั้งใจปฏิบัติ จะเกิดฉันทะความพอใจความยินดีที่จะไปปฏิบัติตามคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าจะมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรจะไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการทำบุญต่อการละบาปต่อการชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระศาสนาหรือเกิดขึ้นกับใครก็ตาม เราจะมีความเหนียวแน่นแน่นมั่นคงกับการปฏิบัติไม่ว่าศาสนาจะเจริญหรือจะเสื่อมไปแต่เรารู้ว่าพระพุทธศาสนาคาสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่เสื่อมจากใจของเราไปและเรารู้ว่าเราต้องยึดเราต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะนำพาให้เราไปสู่ ความสุขและความเจริญที่แท้จริงศาสนานี้เป็นเรื่องธรรมดาจะต้องมีการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาจะต้องมีคนดีคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาแต่เราจะไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้ทาให้เราท้อแท้เดือดร้อถ้าเราเห็นศาสนาของเราเสื่อมลงไปหรือเห็นว่ามีคนไม่ดี เข้ามาแปลกปลอมเข้ามาปนอยู่ในศาสนาของเรามาปฏิบัติมาทาตนให้เสียหายสร้างความเสียหายให้แก่พระศาสนาเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของปจเจกับบุคคลไปเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครทำให้เสื่อมได้เพราะเป็นอาการิโก อาการลิโกแปลว่าไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาไม่เสื่อมไปตามเหตุการณ์ท้องทางโลกทางโลกอาจจะเสื่อมคนอาจจะเสือส่อมศรัทธาไม่อยากจะเข้าวัดไม่อยากจะทําบุญอันนั้นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นความจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นความจริงที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนกี่พันปีมาแล้วก็เป็นเหมือนเดิม ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้เหมือนเดิม <c oughs> เหมือนกับในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงประทับอยู่ถ้าปฏิบัติตามได้ผลก็จะได้รับเช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วกระตามแต่ถ้าเรายังมีพระธรรมคาสอนอยู่ในใจของเราเราก็ยังมีสราณะมีที่พึ่งเรายังมีผู้นำทาง ให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่จะมีธรรมะภายในใจได้ก็ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยอิทธิบาทสี่ 4, คือด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้าปฏิบัติได้แล้วก็จะบรรลุธรรมขั้นแรกที่เรียกว่าภาโสดาบันผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจของตนแล้ว ผู้นี้จะหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดไปได้อย่างแน่นอนอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่ผู้นี้มีแสงสว่างอยู่ภายในใจแล้วไม่ต้องรอรับแสงสว่างจากพระศาสนาอีกแล้วพะได้น้อมนำเอาพระศาสนาเข้ามาอยู่ภายในใจของตนแล้ว ท่านจึงมีพระนิพพานเป็นเป็นที่สุดภายในภายในภพชาติที่ไม่เกินเจ็ดภพชาติเท่านั้นเองนี่คือพระโสดาบันแปลว่าโสดานี้แปลว่ากระแสโสดาบันแปลว่าผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วนั่นเองก็จะมีแต่ไหลไปถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ไปทางออย่างื มันจะไม่ไปทางอย่างอื่นอย่างแน่นอนผู้ที่จะเข้ากระแสนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่หมั่นฟังเทศฟังธรรม อ, อ, อยู่บ่อยเมื่อฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะหายสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงค์จะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรจะมีศรัทธาที่จะปฏิบัติมีฉันทะความยินดีมีวิริยะความอุสาหะที่จะทาบุญละบา ที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทุกวันทุกเวลาจะมีจิตใจที่เรียกว่าจิตตะจิตะตะแปลว่าจิตใจที่จดจอ่อใจจะจดจ่ออยู่ ก, กับการทำบุญละบาปกับการชำ ใ, ให้สะอาบริสิ์วิมังสาก็คือใจจะ่ายควรจะคิดแต่เรื่องทำบุญจะคิดแต่เรื่องละบาป จะคิดแต่เรื่องชำระใจให้สะอาดบอยสุดนะถ้าผู้ใดมีอิทธิบาทสี่แล้วผู้นั้นย่อมจะได้รับผลที่ตนเองต้องการอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในทางโลกหรือในทางธรรมก็ก็เช่นเดียวกันในทางโลกถ้ามีอิิบาทสี่ก็สามารถสำเร็จผลประโยชน์ที่ต้องการได้ อยากจะร่ำรวยก็สามารถร่ำรวยได้ถ้ามีอิทธิบาทสีอยากจะเป็นนายกก็สามารถเป็นได้ถ้ามีอิทธิบาทสีอยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้ถ้ามีอิทธิบาทสีในทางธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลก็สามารถเป็นได้ถ้ามีอิทธิบาทสีดังนั้นการที่จะทําให้เกิดอิทธิบาทสีขึ้นมา ก็ต้องเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องฟังแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเกิดศรัทธาแต่มันจะไม่ก้าวหน้ามันจะเพียงเป็นศรัทธาก้าวแรกเท่านั้นเองพอปฏิบัติไปแล้วไม่เห็นผลก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเกิดความเสื่อมศรัทธาได้แต่ถ้านําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติ เราได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะทำให้มีความศรัทธาที่แน่วแน่มีอิทธิบาตสีที่แน่วแน่ที่จะปฏิบัติต่อไปอย่างไม่ท้อถอยจะไม่จะปฏิบัติจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ผลที่ต้องการนี่คือเรื่องของอนิสงค์ของการมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเรามาทำากจวัด นี้เพื่อจิตใจของเราเราไม่ได้มาทำเพื่อร่างกายของเราร่างกายของเรานี้ไม่ว่าเราจะทำดีอย่างไรขนาดไหนมันก็หนีไม่พ้นกฎของความไม่เที่ยงคือมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ให้หาเงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านเพื่อที่จะมาดูแลร่างกายก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไปได้ หลังนั้นเราไม่ควรที่จะเสียเวลากับการดูแลร่างกายมากจนเกินไปดูแลพอให้มันอยู่ได้ก็พอแล้วควรที่จะเอาเวลาทั้งหมดที่เหลือจากการดูแลร่างกายมาดูแลใจของเราดีกว่าเพราะใจของเรานี่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของของเราใจจะสุขใจจะทุกข์ก็อยู่ที่ว่าเราจะดูแล ใจหรือไม่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะไม่สามารถไปลบล้างความสุขที่มีอยู่ภายในใจของเราได้และความสุขในใจของเรานี่มีกำลังแรงกว่าความทุกข์ของร่างกายเป็น1ิสิบเท่าด้วยกัน ดังนั้นเวลาร่างกายทุกข์จึงจะไม่ทำให้ใจมีความทุกข์เลยใจจะมีความสุขเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางตรง ข, งข้ามถ้าเรามีความสุขทางร่างกายแต่เราไม่มีความสุขทางใจเรามีความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี้จะล้มล้างลบความสุขทางร่างกายหายไปหมดเลยอย่างวันไหนเวลาที่เรามีความทุกข์ใจนี้ แม้ว่าร่างกายเราจะสุขจะสบายอย่างไรเราก็จะไม่รู้สึกสุขสบายเลยเพราะความสุขความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายทุ ก, กายนี่เบากว่าทุกใจสุขใจสุขกายนี่เบากว่าสุขใจดังนั้นความสุขความทุกข์ของร่างกายจึงไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ความ สุขะสุขใจหรือทุกข์ใจถ้าเราอยากจะสุขใจไม่มีความทุกข์ใจเราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราต้องทําบุญอย่างที่วันนี้เรามาทําบุญกันนี้เวลาทําบุญแล้วเราจะเกิดความสุขใจแล้วเราก็มาละบาดด้วยการรักษาศีลเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการทําบา แล้วเราก็มาชำระใจให้สะอาดด้วยการทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดถ้าใจสงบก็จะมีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกและถ้าใจฉลาดใจก็จะปล่อยวางจะปลงได้ก็ยิ่งจะมีความสุขกว่าจากการนั่งสมาธิอีกเพราะจะสุขยังถาวรถ้าใจมีปัญญาแล้วใจฉลาดแล้ว ใจก็จะไม่หลงไปยึดส e ิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองก็จะไม่ทุกกับสิ่งต่างๆทุกวันนี้ที่พวกเราทุกกันอยู่นี้ก็ไม่ได้ทุกกับอะไรหรอกก็ทุกกับสิ่งต่างๆที่เราไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรายึดติดร่างกายว่าเป็นตัวเรายึดติดร่างกายของคนอื่นว่าเป็นของเราร่างกายของสามีร่างกายของภรรยา ร่างกายของลูกร่างกายของบิดามารดาว่าเป็นของเราพอเขาเป็นอะไรเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไปหลงติดกับสิ่งของต่างๆว่าเป็นของเราว่าละว่าบริษัทเป็นของเรารถยนต์เป็นของเราบ้านเป็นของเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเป็นของเราพอเราต้องสูญเสีย เราต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานยใจโดยที่เราไม่สามารถที่จะยุติยุติยึดยับยั้งการสูญเสียเหล่านี้ไปได้เพราะในที่สุดไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเราก็จะต้องมีการดับไปตายไปพอดับไปตายไปแล้ว สมบัติเข้าของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเพราะเราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้สิ่งที่เป็นของเราก็มีอยู่สองส่วนเท่านั้นเองก็คือบุญและบาปอันนี้แหละเป็นของเราแท้ๆที่พูะเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีบุญและบาปเป็นของตนจะทำบุญหรือบาปไว จะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาสนั้นนี่คือสมบัติที่แท้จริงของเราบุญก็เป็นประโยชน์ส่วนบาปก็เป็นโทษกับเราถ้าเราไม่อยากจะเอาโทษไปกับเราเราก็อย่าทำบาปถ้าเราจะเอาแต่ประโยชน์ไปกับเราเราก็ต้องหมั่นสร้างบุญให้มากๆเอาเงินทองที่เป็นทรัพย์สมบัติของเรานี้มาทำบุญให้หมดอย่ากเก็บเอาไว้ อย่างที่พระเวชสารดอได้ทำเป็นตัวอย่างท่านมีสมบัติมากน้อยเพียงไรท่านเอามาทำบุญหมดลูกภรรยาใครอยากจะได้อยากจะขอก็ยกให้เขาไปหมดท่านทำหมดเลยท่านได้บุญเต็มหัวใจพอตายไปท่านก็ได้ไปเกิดเป็นเทพแล้วหลังจากนั้นท่านก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ได้มาตัดสรุป เป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปนี่แหละคือเรื่องของการสร้างบุญไม่ทำบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะทำให้เราได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าต่อไปเราถ้าเราทำบุญอย่างพระเวชสา ร, รดรตายไปเราก็จะไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพแล้วก็พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้มาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ลูกของมหาเศรษฐี แล้วพอถึงเวลาเราก็จะออกบวชได้แล้วเราก็จะบรรลุเป็นพระอระหันต์ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือวิถีทางของพวกเราเพราะว่ น, นี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเราไม่เดินทางนี้ เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจะต้องกลับมาเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากสิ่งที่เราลากสิ่งที่เรารักซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีวันสิ้นสุดน้ําตาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าที่พวกเราได้ร้องกันได้หลังกันนี้เมื่อมารวมกันแล้วมันมีมากกว่าน้าในมหาสมุทรอีกนี่คือภพชาติของพวกเรา ที่จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพทธเจ้าถ้าเราไม่มีอิทธิบาทสี่ที่จะนำนำเอาคำสอนของพระพทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปแต่ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อและเรามีอิทธิบาทสี่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสา ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทำบุญละบาปด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากสังสารวัฏซึ่งเป็นที่ที่ที่ตั้งของความทุกข์ทั้งหลายเรามีใครอยากจะเข้ากองไฟบ้างสังสารวัฏนี้ก็เป็นเหมือนกองเพลิงมดีนีเองมีคน คนโง่หรือคนบ้าเท่านั้นแหละที่จะเดินเข้าหากองไฟคนฉลาดจะไม่เข้าหากองไฟอย่างแน่นอนตอนนี้พวกเรายังเป็นเหมือนคนบ้าคนโง่อยู่ที่ยังเข้าหากองไฟกองทุกข์กันอยู่ด้วยความหลงที่ไปคิดว่าราบยศสรเสริญสุขเป็นเป็นสุขเป็นของเราจะให้ความสุขของเราจะให้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้เป็นความหลง คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วว่าไม่ใช่เป็นกองสุขแต่เป็นกองทุกข์พระองค์จึงถอยออกจากกองแห่งลาบยศสรรเสริญถอยออกจากวัตะสังสารวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการทำบุญละบาปละชำละจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์จึงขอฝากเรื่องของความเป็นสิริมงคล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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนแก้วคลาปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ